3.6 การปฏิบัติไม่มีสายกายสายจิตวงเล็บเปิดยี 23. พฤศจิกายน2549วงเล็บปิดจริงๆแล้วธรรมะง่ายที่สุดเราไปคิดมากเลยยากนานคอยคิดแต่ว่าจะต้องทําอย่างไรทําอย่างไรทําอย่างไรแล้วจะดีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคือต้องการดีสิ่งที่ต้องการจะได้คือต้องการดีทําอย่างไรมันจะดีคอยคิดแต่จะ เครื่องหมายคําพูดทำเราลืมสภาวะของวิปัสสนาคือการในเครื่องหมายคําพูดรู้ไปรู้นี่ไม่ใช่เอาดีรู้เอาความจริงนะรู้เพื่อให้เห็นความจริงอย่างสมาธิทั้งหลายนี่เอาสุขเอาสงบเอาดีเพราะคิดแต่ว่าทําอย่างไรจะสุขจะสงบจะดีส่วนวิปัสสนานะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องการคือความจริงเท่านั้นเองธรรมะก็คือความจริงนั่นแหละ